มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัตพุทธทัศนะปัญหาที่สิบถามว่า ถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงท่านอาจชี้ได้หรือว่าเสด็จอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะถ่าแต่พระนาคเสนผู้เจริญด้วยปรีชาพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้านี้มีอยู่หรือพระนาคเสนจริงถวายพระพรว่ามีอยู่พระเจ้ากรุงมิลินจริงตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้านี้อาจจะชี้ได้หรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่นั้นเสด็จอยู่ที่นี้พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระมงกุฎตามาจารเสด็จเข้าพระนิพพานล่วงไปหาเนื้อหาตัวไม่ได้นี้จะให้อัตมาชี้ว่าอยู่ที่นี่ที่นั้น จนใจหารู้ที่จะชี้ไม่ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาไปก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่าตั้งกิงมัญสิมหาราชะพระราชสมภารสำคัญอย่างไรจึงถามชนี้ปเปรียบดุดเปเลวอัคคีรุ่งโรโชดตนาการเปเลวเพลิงดับยังอยู่ต่ฐานบ่อพิษพระราชสมภาร ยังจะชี้เปเลวอัคขีได้หรือว่าอยู่ในที่นั้นที่นั้นจะได้หรือไม่ได้เล่าพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตอบไปว่าเปเลวไฟดับนี้จะจับเอาที่ไหนหมาชี้พระน่าเกษมถวายพระพรว่าชั้นใดก็ดีข้อความที่ตรัสถามนี้ก็เหมือนกันเมื่อสมเด็จพระอนันตคุณอดุลมิ่งมงกุฎโลกาจารย์ เสด็จล่วงลับดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปศูนย์แล้วเหมือนเปลไฟที่ดับอัตมาจนอกจนใจไม่รู้ที่จะชี้ให้เห็นพระองค์ได้โดยแท้ตามกระแสะพระราชองค์การตรัสสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ทรงฟังก็โสมนัสปรีดาตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชชานี้สมควรแล้วพุทธทัศนปัญหา ในปัญจะมะวัคเป็นคำรบสิบจบเท่านี้จบปัญจะมะวัค